ครั้งเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยเด็กก็ได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่พูดกันเสมอถึงคำว่ากรรมเช่นสมัยก่อนเมื่อทราบว่าคนที่รู้จักชอบพอกันเป็นโรคฝีในท้องหรือว่าวั น, นโรคผู้ใหญ่ก็มักจะพูดว่ากรรมของเขาหรือพวกลูกหลานไปติดฝิ่นหรือยาเสพติดเช่นกัญชาจนเสียผู้เสียคนผู้ใหญ่ก็มักจะชอบพูดว่ากรรมของมันถ้ามีลูกหลานไปทาผิดมีผู้มาบอกญาติผู้ใหญ่ก็มักจะโวยวายกล่าวโทษว่ากรรมแล้ว และได้ยินเรื่องกรรมเสมอตลอดมาจนชินหูทำให้ข้าพเจ้ารู้จักกับคำว่ากรรมเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายและเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเมื่อพูดถึงคำว่ากรรมคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเสนียดจันไรเป็นของชั่วช้ามีแต่ให้โทษไม่มีอะไรให้คุณคิดว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้มีผู้ที่เข้าใจว่าชั่วร้ายก็ยังมีไม่น้อยเพราะมีอะไรไม่ดีขึ้นมาก็มักจะโทษกรรม แต่เมื่อข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้พิจารณาหาเหตุผลมีความรู้สึกว่ากรรมนั้นเป็นคำกลางเพราะหมายถึงการกระทาไม่ใช่เป็นคำชั่วร้ายอย่างที่เข้าใจ นอกจากจะมีคํานําหน้าหรือว่าพ่วงหลังเช่นผู้สร้างความดีมีจิตใจเมตตาปราณีทําบุญให้ทานปฏิบัติตนอยู่ในศีลห้าก็เรียกว่ากุศลกรรมค่ะหมายถึงผู้สร้างความดีเป็นบารมีหากผู้สร้างความชั่วเช่นฆ่าสาัตว์หรือฆ่าตัวเองก็ดีหรือเป็นโจรผู้ร้ายลักขโมยหรือชอบเป็นชู้กับเมียของผู้อื่นที่มีเจ้าของแล้วก็เจ้าของเขาเนี่ยหวงแหนเหลือเกินนะคะหรือผู้จาส่อเสียดยุยงในเรื่องไม่เป็นความจริงให้คนแตกสัม เกิดความเสียหายหรือว่าเมาสุราอารวาทก่อกวนให้สังคมเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้ผิดในศีลห้าข้อเป็นการผิดในศีลธรรมก็เรียกว่าอากุศลกรรมค่ะ ฉะนั้นเราได้พิจารณาคำว่ากรรมก็หมายถึงเพียงการกระทาหรือว่าธรรมหากเราทำความดีก็เรียกว่ากรรมดีค่ะหากเราทำความชั่วก็เรียกได้ว่ากรรมชั่วเพียงตัวอย่างนี้ก็จะเห็นได้นะคะว่าคำว่ากรรมนั้นมีความหมายว่าการกระทาค่ะซึ่งเป็นคำกลางเมื่อผสมกับความดีหรือความชั่วได้ทั้งสองอย่างไม่ได้หมายถึงความชั่วดังที่ข้าพเจ้าเคยนึกคิดแต่เดิมเมื่อได้คิดและก็พิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปอีก ก็คิดว่าคำว่ากรรมนั้นจะมาใช้แทนคำวำ่าทมหรือกระทาก็ไม่ได้นะคะเพราะคำว่ากรรมนั้นเป็นการกระทาที่หนักคล้ายกับว่ากรรมนั้นเป็นคำที่ผู้ใดได้สร้างกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วขึ้นแล้วผลก็จะตามมาสนองไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครหนีพ้น ฉะนั้นกรรมนี้จึงใช้ได้แต่บางกรณีเท่านั้นเป็นความรู้สึกในเรื่องของกรรมเช่นนี้จะผิดหรือถูกนั้นข้าพเจ้าต้องขออภัยด้วยหากว่าไม่ตรงกับความรู้สึกของท่านผู้ใดในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วข้าพเจ้าได้ประสบด้วยตนเองมาแล้วและประสบกับผู้อื่นที่เชื่อถือได้ทั้งได้เคยเขียนและก็ยังไม่เคยเขียนข้าพเจ้าจึงขอรวมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไว้ในที่นี้เพื่อท่านจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคนี้แล้ว บ่ายวันหนึ่งข้าพเจ้านั่งเขียนหนังสือเพลินอยู่ในที่ทำงานบังเอิญว่ายังไม่กลับบ้านตามปกติข้าพเจ้าจะกลับบ้านตอนบ่ายเมื่อเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นท่านผู้หนึ่งเดินเข้ามาในที่ทำงานและเดินตรงมาหาข้าพเจ้าเมื่อเห็นหน้าคลับคล้ายคลับกลาว่าเคยรู้จักกันมาก่อนข้าพเจ้าได้เชิญให้นั่งเรียบร้อยท่านผู้นั้นเห็นข้าพเจ้างงๆก็ถามขึ้นจำผมได้ไหมข้าพเจ้าตอบอ้อมแอมไปว่าจำได้แต่นึกชื่อไม่ออก ท่านผู้นั้นก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าผมชื่อไงละ่ะจำได้ไหมข้าพเจ้าก็ตะลึงขึ้นมาทันทีแล้วก็พูดออกมาลอยๆว่านี่คุณจริงหรือข้าพเจ้าพูดขึ้นด้วยไม่แน่ใจเพราะชื่อนี้กับข้าพเจ้าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กและเราเคยร่วมโรงเรียนเดียวกันมาครั้งหลังท่านผู้นี้นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลข้าพเจ้าไปเยี่ยมหลายครั้งเห็นมีอาการหอบรูปร่างผอมแก้มตอบ อาหารการกินก็กินไม่ได้ต้องให้น้ําเกลือต่อมาครั้งหลังเห็นมีอาการหนักหอบถี่ต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจข้าพเจ้าเห็นแล้วก็เศร้าใจหมอเห็นว่าถ้าปล่อยให้คนมาเยี่ยมไข้กันมากคนนั้นย่อมจะทําให้คนไข้ขาดการพักผ่อนอาการอาจซุดหนักลงได้เพราะต้องพูดต้องตอบคําถามทั้งที่ร่างกายอ่อนเพลียต้องการพักผ่อนคนเยี่ยมส่วนมากไม่ได้นึกถึงข้อนี้เมื่อทราบว่าหมอห้ามเยี่ยมก็คิดว่าอาการไม่น้อย เมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมเห็นอาการครั้งหลังก่อนหมอห้ามเยี่ยมก็เห็นอาการหนักอย่างน่าเศร้าใจแม่ข้าพเจ้าไม่ได้ไปเยี่ยมแต่จิตใจก็ระลึกถึงภาวนาอยากให้หายเพราะเพื่อนรุ่นเก่าๆนับวันจะน้อยลงบัดนี้มีท่านผู้หนึ่งมีสภาพที่ปกติแข็งแรงไม่ผอมแห้งตรงท่ามกับเพื่อนที่ข้าพเจ้าเคยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลครั้งหลังซึ่งยังเข้าใจว่านอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล ฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงงงเพราะไม่ได้นึกฝันว่าจะได้พบจึงคิดข้ามเลยไปไม่ได้แต่เมื่อได้ทราบว่าท่านได้หายป่วยเป็นปกติก็มีความปรติยินดีเมื่อเข้าใจกันดีแล้วท่านผู้นั้นก็หัวเราะและพูดว่าผมอยากจะมาเล่าเหตุการณ์ที่ผมป่วยเป็นเรื่องพิสดารให้คุณฟังตอนอยู่โรงพยาบาลเมื่อคุณไปเยี่ยมนั่นน่ะเป็นเวลาอาการหนักมากมีแต่ทรงกับสุดผมต้องนั่งหลังโกงอ้าปากหอบจะนอนก็นอนไม่ได้แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกต้องนั่งทรมานเอามือสองข้างกดยันถางไว้ข้างหน้านั่งหลังงอเป็นกุ้งหอบฮักฮักพงกหัวขึ้นลงขณะที่หายใจเข้าออกน้ำมูกน้ำลายไหลออกจากตากออกจากจมูกเหนื่อยแทบขาดใจทำให้ผมนึกถึงว่าบาปกรรมอันใดที่ผมได้ทำไว้ถึงต้องได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเช่นนี้ทั้งทางที่ผมก็ไม่เคยสร้างกรรมชั่วเลย เมื่อเห็นสภาพตัวเองเวลานั้นผมหมดอาลัยตายอยากในชีวิตนึกอิจฉาคนที่ไม่ป่วยไข้กินอะไรกินได้ไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวได้ส่วนผมต้องทรมานอยู่ในโรงพยาบาลกินก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้เป็นแรมปีทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแต่แล้วเห็นจะหมดเวรทาให้ผมเกิดระลึกนึกถึงหมาตัวหนึ่งได้ว่าเวลานี้ผมมีสภาพเหมือนหมาตัวนั้นผมมีหมาตัวหนึง่งเรียกชื่อมันว่าไอหมีมันเป็นหมาดาปลอด ตลอดทั้งลิ้นก็ดํามันเคยตบงูเล่นได้ไม่กลัวความจริงผมก็รักไอหมีมากมันประจบก็เก่งเราก็อยู่สวนก็จําเป็นต้องมีหมาดุๆเผื่อไว้เฝ้าสวนและเฝ้าผลไม้ในสวนผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งเป็นฤดูทุเรียนและส้มตอนเย็นเราจึงตัดทุเรียนและส้มและผลไม้อื่นๆที่มีในสวนมาไว้ในบ้านตอนเช้ามืดก็จะมีคนมาขนไปใส่รถนําไปขายที่เชิงสะพานเหล็กริมคลองมหาพฤกษาราม มีคนมารับเอาไปเป็นประจำทุกเช้าแต่ว่าเช้าวันหนึ่งคนที่มากำลังก้มลงหยิบตะกร้าใส่ผลไม้เจ้าหมีเกิดคะนนองยังไงก็ไม่รู้มันกระโดดเข้ากัดหัวไหล่ทั้งที่ผู้นั้นเคยเอาของยกขึ้นรถเป็นประจำทุกเช้าทำให้ผมโมโหและโกรธมากที่มันไม่รู้จักจำคนไปกัดเขาไม่รู้จักคุ้นบ้างเลย ผมก็เลยจับปอกคอลากตัวมันลงมาที่คลองข้างสวนจับหัวมันกดลงไปใต้น้ำสักพักหนึ่งทําโทษเพื่อให้มันได้รู้เข็ดรู้หลาบที่หลังจะได้ไม่ต้องกัดคนที่เข้ามาในบ้านเพื่อนำผลไม้ไปขายผมทําเพื่อสั่งสอนให้มันรู้เท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะลงโทษมันรุนแรงเกินไปหรอกมันพยายามดิ้นทุรนทุรายตะเกียกตะกายหนีอยู่พักหนึ่ง ผมก็ดึงหัวมันขึ้นพ้นน้ำปล่อยมันลงที่พื้นดินเห็นมันอ้าปากหอบซี่โครงบานพองขึ้นยุบลงมันก็ยังอุตสายนั่งทางขาหัวสัน่นน้ำลายไหลาทางจมูกย้อยลงบนพื้นดินเหลือบตาขึ้นมองดูผมเห็นแล้วผมก็นึกสงสารมันขึ้นมาคิดว่าเราไม่ควรมือหนักกดน้ำมันนานเกินไปจนอาการเป็นเช่นนี้ถ้าช้ามันคงขาดใจตาย คิดว่ามันนั่งทางขาหอบได้มันคงไม่ตายไม่ช้ามันคงหายและผมก็ไปทำงานอื่นไม่อยากเห็นสภาพที่น่าสงสารให้เวลาพักผ่อนเท่านั้นก็จะช่วยให้มันหายเป็นปกติได้ตอนเย็นผมกลับไปดูมันในสวนอีกคราวนี้มันหายจริงๆมันหายไปทั้งตัวไม่รู้ว่าไอ้หมีมันหายแล้วมันหนีไปไหนค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพยายามตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบบัดนี้นับสิิปีผ่านมาแล้ว มาคราวนี้ผมหอบพิจารณาดูตัวเองผมมีสภาพเหมือนไอหมีหมาของผมที่ถูกกดน้ำกิริยาท่าทางเหมือนกันผิดแต่ว่าผมเป็นคนมันเป็นหมาผมก็นึกได้ว่ากัมชั่วที่ทำกับไอหมีได้ตามมาสนองถึงผมแล้วผมนั่งยันมือสองข้างหอบน้ำมูกน้ำลายไหลมันเป็นท่าทางของไอหมีตอนมันเหลือบตาขึ้นมาดูผมเหมือนมันจะแค้น ผมจึงแน่ใจว่าอากุศลกรรมที่ทำกับไอหมีแน่ไม่มีข้อสงสัยอื่นใดผมจึงได้ตั้งสติตั้งใจทั้งกำลังป่วยหนักอธิษฐานในใจว่าไอหมีเอ้ยถ้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าขอโทษที่ทำรุนแรงกับเองครั้งนั้นโดยไม่ได้เจตนาแต่อย่าจองเวรจองกรรมกับข้าเลยถ้าเองตายไปแล้วก็ขอทำบุญสร้างกุศลอุทิศไปให้เองขอให้มีความสุขสันชาติของเองก็เป็นที่รู้กันว่ามีความกตัญญู จงอย่าก่อกรรมจองเวรกับข้าเลยข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำกับเองรุนแรงถึงเพียงนั้นถ้าเองยังไม่ตายมีชีวิตอยู่แห่งใดก็ขอจงอโหสิกรรมให้ข้าเถิดขออย่าให้โรคนี้ทรมานข้าต่อไปเลยข้าขอรับผิดและขอขมาเองด้วยอธิฐานจิตเท่าที่ผมนึกได้ในเวลานั้นแล้วผมก็แผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาให้ว่าบุญกุศลใดที่ผมสร้างไว้ขออุทิศส่วนกุศลนั้นให้ไอหมีหมาที่ผมเลี้ยง ตั้งแต่สมัยก่อนจงมารับกุศลในบัดนี้ด้วยต่อมาอาการของผมก็ค่อยทุเลาขึ้นนับว่ามหัศจรรย์มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนับแต่วันที่ผมได้อธิษฐานจิตแผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาจิตถึงเจ้าหมีต่อมาอาการของผมก็ดีขึ้นตามลําดับผมไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและผมหายก็เหลือได้ทําบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้อีกและจึงได้มาหาคุณทําให้คุณงงและแปลกใจคงไม่นึกว่าเป็นผม ข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องแปลกๆก็อดคิดไม่ได้ว่านี่ผลแห่งกรรมเป็นอกุศลกรรมจึงเกิดผลร้ายตามสนองข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นตามคำบอกเล่าที่ได้สนทนามาแล้วบัดนี้ท่านผู้นี้ได้หายจากไข้ที่ทรมานและได้มานั่งเล่าเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านผู้นี้เคยสร้างกุศลไว้มากเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีไม่น้อยและที่ข้าพเจ้าไม่ทราบอีกก็มีมาก บริจาคเป็นทุนให้กับทางโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและสมทบเงินสร้างโรงเรียนบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลเป็นต้นนับว่าเป็นกรรมดีทราบว่านอกจากนั้นก็ยังคงเป็นหมอดูหรือผูกดวงทำนายโชคชะตาอย่างแม่นยําโดยไม่ต้องการค่าครูตอบแทนเมื่อครั้งป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ยังมีผู้สนใจไปเยี่ยมเยี่ยมมองๆคอยหาโอกาสที่จะไปขอให้ดูโชคชะตาทั้งที่หมอห้ามเยี่ยม บัดนี้หายจากอาการป่วยอย่างอภินิหารจึงขอร้องท่านว่าข้าพเจ้าอยากจะเขียนเรื่องนี้เข้าในชุดกฎแห่งกรรมแต่อยากจะขอลงนามจริงจะขัดข้องหรือไม่เรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วคงไม่เกิดความเสียหายอะไรกับท่านมากนักท่านก็ยินดีบอกว่าออกชื่อผมได้เลยผมอนุญาตข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณท่านมาในที่นี้ด้วยคิดว่าเรื่องนี้คงจะมีประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านบ้าง ท่านผู้นั้นคือคุณทองหล่อนิยะมาพาอดีตสมาชิกสภาจังหวัดพระนครและอดีตสมาชิกสภาเทศบาล น, นาครกรุงเทพเมื่อได้พูดถึงอกุศลกรรมแล้วแม้ว่ากระทำโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ผลก็ได้รับทันในชาตินี้ถ้าจะนับว่าเป็นกรรมชั่วเห็นผลช้าที่เบาจึงให้ผลเร็วหากว่าเป็นกรรมชั่วที่หนักก็คงจะเห็นผลช้าคราวนี้เรามาพิจารณาดูผลแห่งกรรมดีกันบ้างค่ะ เพราะบังเอิญคุณประสิทธ์ได้นำเอาบันทึกมาให้ข้าพเจ้าบอกว่ามีผู้บันทึกฝากมาจากจังหวัดชนบุรีข้าพเจ้าได้นำบันทึกฉบับนั้นมาพิจารณาดูเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมดีคู่กับเรื่องกรรมชั่วจึงได้เขียนขึ้นเพื่อท่านจะได้พิจารณาดูด้วยปัญญาว่าสิ่งลี้ลับที่ตามสนองนั้นมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วดังที่มีผู้บันทึกตอไปนนี้เมื่อปีพุทธศักราช2497 ผมได้ขึ้นไปหาคุณแม่ที่ต่างจังหวัดเวลานั้นท่านรับราชการเป็นครูใหญ่อยู่ที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตากเมื่อมีคำสั่งเป็นทางการให้ย้ายเข้าประจำกระทรวงศึกษาธิการผมจึงขึ้นไปเพื่อชวนคุณแม่ จัดของใช้เครื่องใช้ประจำบ้านของคุณแม่ก็มีไม่น้อยจึงบรรจุเข้าหีบห่อเตรียมจัดส่งเข้ากรุงเทพตามปกติผมเป็นผู้มีนิสัยชินที่ต้องหาขนมหวานกินตอนกลางคืนเพราะผมอยู่ชนบุรีกลางคืนก่อนนอนก็ต้องหาขนมหวานกินจนเคยตัวซะแล้วคืนนั้นประมาณสองทุ่มผมเตรียมตัวจะออกจากบ้านไปตลาดเพื่อซื้อขนมกินตามนิสัยเคย ผมติดไฟฉายไปด้วยคืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆทางก็ไม่สู้จะมืดนักแลเห็นสิ่งหยาบๆได้ไกลๆเมื่อผมลงจากบ้านพอเดินถึงประตูนอกจะเปิดออกไปถนนผมกำลังจะเอื้อมมือไปถอดกรอนไม้ก่อนที่มือจะถึงทันใดนั้นหูก็ได้ยินเสียงกระซิบเตือนว่าหยุดกรอนอย่าเปิดระวังงูทำให้ผมสะดุ้งชะงักมือที่กาลังจะเอื้อมไปถอดกรอนประตูออกก็หดมือทันทีผมได้ยินชัดเจน เป็นเสียงประหลาดเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก้าวถอยหลัง 1-9 ก้าวรีบหยิบไฟฉายเปิดส่องดูที่กรอนประตูซึ่งเป็นกรอนประตูแบบโบราณใช้ไม้เป็นสลักแบนๆเมื่อไฟส่องไปก็มองเห็นดวงตาของงูทั้งคู่แววๆเมื่อถูกกับแสงไฟฉายผมก็ตื่นเต้นตกใจสีงูกับสีไม้เก่าๆมันกลืนกันแทบจะเป็นสีเดียวกันหากช้านิดเดียวเอามือไปถอดกรอนผมก็คงถูกงูฉกกัดมือแน่ โลกนี้มีสิ่งอะไรลึกลับที่คอยเตือนระวังภัยให้เรามันเป็นเรื่องที่แปลกผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนได้ช่วยชีวิตผมได้ทันเวลางูตัวนั้นขดพันอยู่บนกนรรไกรูไม้เมื่อถูกแสงไฟฉายส่องออกไปงูก็พงกหัวชูคอขึ้นใส่หัวไปมาแล้วก็ค่อยๆ ค, คลายตัวที่ขดอยู่เลื้อยหายไปในกอหญ้านึกว่า ง, งูก็กลัวคนถ้าไม่เหยียบหรือจับต้องตัวก็ไม่ทําอันตรายเรา ทำให้ผมนึกถึงก่อนหน้าประมาณหนึ่งปีกว่าผมได้เดินทางขึ้นมาจังหวัดตากเพื่อเยี่ยมคุณแม่เป็นครั้งแรกเที่ยวตามถนนทุกแห่งเพราะใหม่ต่อสถานที่ ผมพักอยู่กับคุณแม่ที่บ้านพักประมาณ7วันก่อนจะกลับบ้านที่จังหวัดชนบุรีผมเที่ยวชมทิวทัศน์ในเมืองแบบทั่วทุกถนนสุดบ้านเหนือบ้านใต้ลอดถนนริมแม่น้ำปิงเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งนี้ได้อาศัยจักรยานของพันโรงประจําโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดได้กรุณาให้ผมยืมผมจึงได้ออกไปทางห่างจากตัวจังหวัดเป็นถนนอย่างไม่เรียบร้อยมีทายปนดินการถีบจักรยานก็หนักแรงไม่ค่อยจะวิ่ง แต่ว่าทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามควบคู่กับถนนและลำน้ำปิงทำให้เพลิดเพลินผมต้องใช้กำลังถีบมากขึ้นเมื่อมาถึงตาบลไม้งามเป็นหมู่บ้านแต่ก็มีสินค้าและมีโรงหนังอีกทั้งยังมีโรงงานทำเครื่องเป็นอุตสาหกรรมที่ขึ้นหน้าของตาบลไม้งามการเลี้ยงครั่องมีโรงรับซื้อครั่งดิบมีที่ลางครั่งมีลานตากครั่องหแห้ง ผมยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็แปลกใจและสนใจผมต้องถีบจั ก, กรยานตามทางที่กันดานซ้ำถนนก็เป็นทรายปนดินทำให้เกิดการกระหายน้ำเพราะระยะทางจากในเมืองมาถึงตำบลไม้งามนี่ยาว7กิโลเมตรจึงเลี้ยวรถเข้าหยุดพักที่หน้าโรงหนังรู้สึกว่าจะฉายชั่วครึ่งชั่วคราวผมสั่งน้ำหวานใส่น้ำแข็งมาหนึ่งแก้วกาลังนั่งดื่มด้วยความกระหาย มองไปเห็นคนจับกลุ่มกันอยู่ข้างถนนก็นึกว่าคงมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแต่คงไม่ใช่คนถูกรถชนเพราะรู้สึกว่าไม่มีรถผ่านไปมาเลยแรกๆผมก็ไม่ค่อยสนใจแต่เมื่อดื่มน้ําหวานเข้าไปได้ครึ่งแก้วรู้สึกแก้กระหายและสบายใจขึ้นหายเหนื่อยเมื่อได้นั่งพักก็เลยถามเจ้าของร้านเครื่องดื่มว่าคนข้อมูงดูอะไรกันนะครับหญิงเจ้าของร้านบอกว่าเด็กถูกงูกัดค่ะผมนึกสะดุ้งใจนึกเป็นทุกข์ก็เลยถามว่า ทำไมไม่รีบพาไปส่งโรงพยาบาลประเดี๋ยวก็ไม่ทันเดี๋ยวก็เสียชีวิตก่อนหรอกหญิงเจ้าของร้านบอกว่าเขาให้คนรีบไปตามพ่อแม่แล้วล่ะคะ่ะแต่ยังไม่เห็นมา ผมชักไม่สบายใจเกิดเป็นห่วงเด็กมัวคอยพ่อแม่เมื่อไหร่มาก็ไม่รู้กลัวว่าจะไม่ทันถึงโรงพยาบาลล่าช้าไปหมอก็ช่วยไม่ทันนอนใจไม่ได้เกิดทำให้ผมคิดถึงอกเขาอกเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซ้ำเป็นเด็กตาดําๆจะปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมกว่าพ่อแม่จะมาถึงเด็กก็คงจะตายคิดแล้วผมก็เกิดความสงสารเด็กขึ้นมารีบจ่ายค่าเครื่องดื่มแล้วนึกในใจว่าเราควรจะช่วยเด็กให้พ้นจากอันตราย นึกดังนั้นแล้วผมก็รีบออกจากร้านเครื่องดื่มตรงเข้าไปหมู่ชนรีบแวกคนที่มุงดูเข้าไปเห็นเด็กนอนบิดตัวไปมาหน้าบูดเบี้ยวอยู่กลางพื้นดินเหงื่อชุ่มตัวร้องว่าปวดปวดเหลือเกินผมไม่รอช้ารีบประคองเด็กให้ลุกขึ้นนั่งแล้วให้เหยียดเท้าให้ตรงเพื่อพิจารณาดูถามว่าถูกกัดตรงไหนเด็กชี้ไปทางนิ้วเท้าเมื่อผมพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามีรอยเขี้ยวคนที่มุงดูคนนึงบอกว่างูกะปะกัด เพราะว่าตำบล น, นี้งูกะปะชุกชุมผมก็รีบจัดการพยาบาลที่เคยศึกษาวิชาลูกเสือจากโรงเรียนนำออกมาใช้เวลาคับขันโดยถอดเข็มขัดของเด็กออกรัดโคนขาจนแน่นและพยายามรีดปากแผลให้เลือดมันออกผมบอกว่าทนเจ็บหน่อยนะหนูจะได้หายผมนึกว่าทางที่ดีที่สุดรีบส่งโรงพยาบาลด่วนแต่แถวนั้นมองดูแล้วไม่มีพาหนะอะไรที่จะส่งเด็กไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วได้ ผมร้อนใจมากและมีความสงสารเอ็นดูเด็กเป็นทุนเกิดห่วงกังวลว่ากว่าจะนำส่งโรงพยาบาลถ้าหากว่าช้านี่คงไม่ทันคิดว่าไม่มีทางอื่นที่จะดีกว่าต้องนำเด็กขึ้นรถจักรยานไปกับผมต้องรีบไปให้ถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะไม่มีทางใดจะเร็วและดีกว่านี้ ผมไม่สนใจว่าพ่อแม่ของเขาจะมาหรือไม่ผมรีบพยุงเด็กขึ้นนั่งคร่อมข้างหน้ารถจักรยานแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดลำบากและไม่ใช่เล่นแต่ผมก็พยายามอย่างทุลักทุเลและมีคนในกลุ่มนั้นใจดีช่วยกันพยุงและบางคนก็แก้ผ้าเขาม้าจากเอวส่งให้ผมให้ผูกกันเด็กตก ผมจึงผูกเด็กไว้กับตัวถังรถกันตกหลายรอบชาวบ้านต่างก็พากันช่วยและผมก็ปลอบใจเด็กว่าจะนำไปรักษาที่โรงพยาบาลให้เด็กพยายามแข็งใจไว้ประเดี๋ยวก็ถึงผมพยายามให้กำลังใจเด็กตลอดเวลาวันนั้นนับว่าเป็นบุญกุศลของผมและเด็กไม่รู้ว่าผมเอากำลังที่ไหนมาถีบจักรยานเร่งเวลากลับเข้าเมืองนำเด็กไปส่งโรงพยาบาลได้เร็วอย่างน่าแปลกใจ ถ้าเวลาปกติผมคงเหนื่อยแทบขาดใจทางที่ถนนไม่ดีเป็นทรายปนดินหนักแรงกว่าถนนธรรมดาสองเท่ากลัวยางจะแตกแต่ก็นำมาได้อย่างปลอดภยัยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลผมก็รีบแก้ผ้าของมาที่ผูกเด็กไว้รีบอุ้มแทบจะวิ่งตรงเข้าไปหานายแพทย์เวนคิดว่าหมอเท่านั้นที่จะช่วยได้เวลานั้นเห็นหมอเป็นผู้ิเศษหรือเทวดาผมรีบบอกหมอว่าเด็กถูกงูกระปะกัด พูดไม่กี่คําหมอก็รีบมาตรวจดูแผลที่ถูกงูกัดแล้วก็รีบจัดยามาฉีดทันทีไม่รอให้เสียเวลาเมื่อหมอฉีดยาและผมก็ถามหมอว่าผมมาทันเวลาไหมครับหมอเด็กจะหายไหมหมอบอกว่าเห็นจะไม่เป็นอะไรมากนะักแต่ว่าหากมาช้ากว่านี้สักหานาทีผมก็ไม่รับรองผมได้ยินหมอพูดเช่นนั้นก็โล่งอกสบายใจขึ้นเพราะผมกลัวจะมาไม่ทันผมเป็นห่วงวิตกกังวลกลัวมาตลอดทางว่าจะไม่ทันเวลา เมื่อหมอบอกเช่นนั้นผมก็ดีใจที่ได้ช่วยชีวิตเด็กไว้ได้หมอถามถึงชื่อเด็กอายุของเด็กตำบลที่อยู่ชื่อของพ่อและชื่อของแม่ผมก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมบอกผมไม่เคยรู้จักเด็กคนนี้มาก่อนเห็นถูกงูกัดนอนอยู่ข้างถนนพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนผมก็สงสารก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าดีแล้วเป็นบุญของเด็กที่พบผู้มีมนุษยธรรม ผมเองก็รอดูอาการของเด็กหลังจากฉีดยาแล้วเพราะยังลุกไม่ไหวต้องคอยให้ดมยาผมเห็นอาการของเด็กค่อยๆดีขึ้นประมาณชั่วโมงกว่าก็ยังไม่เห็นญาติพี่น้องพ่อแม่ของเด็กติดตามมาผมก็เลยบอกกับหมอว่าเมื่อเด็กปลอดภัยแล้วผมจะกลับกําลังจะลาหมอกลับ ก็พอดีที่พ่อของแม่เด็กมาถึงโรงพยาบาลและแสดงความขอบอกขอบใจที่ผมได้ช่วยลูกชายของแกให้พ้นจากอันตรายมาได้ทั้งเด็กพอเห็นหน้าพ่อแม่ก็มีกำลังใจขึ้นพูดได้แต่ยังไม่มีกำลังลุกขึ้นยืน แต่ก็พยายามยกมือขึ้นไหวและกล่าวคำขอบคุณผมเมื่อผมได้บอกลาและออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านพักด้วยความภูมิใจว่าผมได้ทำหน้าที่พลเมืองดีและสร้างกุศลกรรมทำให้ผมเกิดความสุขขึ้นทางใจนึกชื่นใจในตัวเองที่สร้างกรรมดีเป็นความรู้สึกที่หายากแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองก็ซื้อไม่ได้ นี่แหละค่ะเหตุการณ์ที่ได้ผจญภัยมาในครั้งนั้นและจะไม่มีวันลืมในชีวิตแม้ว่าจะไม่แน่ใจแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเป็นผู้สร้างกรรมดีเมื่อถึงคราวอับจนแล้วย่อมจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารเกิดขึ้นคอยปัดเป่าช่วยเหลือตอบแทนไม่ให้เป็นอันตรายอย่างไม่นึกไม่ฝันอย่างในเรื่องในชีวิตของผู้เล่าที่ได้ประสบพบเจอมาด้วยตนเองแล้วได้ช่วยเหลือเด็ก ที่เอนดูสงสารให้พ้นจากการตายเพราะถูกงูกัดและตัวของผู้เล่าเองก็ได้รอดพ้นจากการถูกงูกัดด้วยเสียงเตือนอันลึกลับและถือว่าเป็นเรื่องอภินิหารเรื่องหนึ่งค่ะข้าพเจ้าได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็อยากจะพูดว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งของผู้ประกอบกรรมดีที่เราจะพิสูจน์ไม่ได้ฉะนั้น ข้าพระเจ้าจึงขออนุญาตเพื่อนำนามจริงของท่านเจ้าของเรื่องนี้ไว้ด้วยเมื่อท่านอนุญาตแล้วจึงเรียนให้ทราบว่าท่านผู้นี้ก็คือคุณสุระโชตจุนสิริและขอขอบคุณเจ้าของนามมากในการที่ได้กรุณาบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปข้าพเจ้าผู้เขียนและผู้เรียบเรียงเอง ก็ได้เคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาด้วยตนเองแล้วหลายเรื่องทั้งเคยเขียนมาแล้วและยังไม่ได้เคยเขียนฉะนั้นปัญหาว่าอภินิหารมีจริงหรือไม่จึงไม่มีข้อสงสัยในความรู้สึกของข้าพเจ้า